เดียกันไปการปฏิบัติมีผูบอกมีพูดพูดมีผู้ฟังฟังแล้วนำไปกระทําปฏิบัติตามธรรมที่บอกถ้าไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่บอกก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ จ, จำได้บ้างมากมันท่าโนนก็ยังไม่เป็นอะไร อ้าง้องให้อยู่ตอนพระเจ้าปฏิบัติอย่างร้องไหมที่สุดเลยพ่อหนุนแต่ท่านที่เก่งในเรื่องการจองเลิศที่สุดเป็นพระผู้สูดจึงออกไปทำบอกต่างหวาขอกตามที่พระเจ้าบอกสอนพระเจ้าบอกเรื่องอะไรผู้ฉันเขารู้สึกเหยียดฉันออกรู้สึก เราคิดไปคำว่ารู้สึกตัวทำเป็นไหมแล้ววันหลงรู้สึกตัวทำเป็นไหมถ้าไม่ทำเดี๋ยแจะจำเมาสติความรู้ด้อยสองประจำนีความรู้ตัวมันต้อมมีประโยชน์เป็นภาษาลูกแก้วลงขุนทองไปใครๆก็จำได้แต่ไม่ใช่เหล่ะตัว ทำมื่อิงๆสติจึงจงต้องสัมผัสออกกายไปสัมผัสไปโตออกเอาจิตใจไปสัมผัสไปโตออกจิงจะเกิดประโยชน์ใจเราจึงจะเป็นประโยชน์ต่อกายต่อใจเราม่มีกายไมมีใจสติเป็นผู้ดูแลรักษาถ้ามีสติเราก็ปอดภัยโยโย่แค่นี้น้อยน้อยเท่านี้พุทธศาสนาเกิดขึ้น แล้วพระเจ้าได้ตัดสรูปเป็นพระเจ้าก็เรื่องนี้เท่านั้นราจจะมากมายแต่ทั้ง4 0 0 0มื่นสีพเรื่องมีเรื่องนี้แล้วเพิ่นแก้ปัญหาไปเทศนนาะว้ก็จองได้หลายก็เลยเป็นต้องบหมา8นสี่ันเลื่องแต่ทำให้เกิดความตรัสรู้โดยพระเจ้ามีสติปในกาเท่านั้น คำมือเดียวเหมือนอวดาปฏิโมที่เราสอนที่ใยญที่พัะสูตรเนี่ยผู้ว่านได้แสดงให้เจาพระสงฆ์พัสองร5อสลูกที่เวรรวัห์เป็นวัดแรกในพระเศาสนาคูรัตคือเป็นสิ่งที่น่าจะจำไว้งงสงควร ชีวิตของมนุษย์คนหน่งที่งานมาแล้ว2599ปีพูดออกมาเป็นสาคนที่สุดถ่าการไม่ทำบาปทำาพวงการทำกุศลน่าจะถ่อมการทำกิจให้บริสุทธิ์ทั้งหมดอยู่ตรงนี้เลยเดียวทั่วหมดคนน้อย ที่ล่องขึ้นในรูปเอาจากหลับนี้วนาดที่นี่เราจะทำไงจะเรื่สติมีสตินะแลก็รอความชั่วยอยู่แล้วมีสติมันก็ทําดีอยู่แล้วเนี่ยไปรัไปบไปตอไปฆ่ากันไปพูดอะไรไม่ไปเลยอยู่ที่นี้มันคิดไปกลับมาเอาใช้บริโภคแล้ว หลงกรรมเอาไอไล้างหลงหอกจักใจเราวันสุนทุกกรรมมาลุ้ลง้ลงสุก ล, ล้าทุกเเป็นทั้งไม่ทำบทำผัวทำบิุทธิไม่จงก้องทำจิตใ้บริสุทธิ์นี่กรรมเดียวมันเป็นนี่มันเป็นเรื่องที่ทำได้นะวันนั้นวันเมื่อวานนี้พื่เท้าวประกาศทำหลักทมที่ยกบัเพื่อนก ประกาศลับทางประกาศฟ้าชะนับตั้งแต่พระองคได้ตรัสรู้ในเดือนเดือน6ถึงวันเดือนสประมาณ8เดือนกว่าๆแต่เดินทางมาเทศนเนอกันนี้โดยสี่เราะเทจริงอย่างไรผู้มีปัญญาฟังดู น้องไปใช่ลองดูเฉยมันจะเป็นพุทธศาสตร์นามันจะเป็นพระพุทธศาสตร์ชนาจริงๆไว้อยู่ตรงไหนกันแน่พุทธศาสตร์ชนาเนี่ยมันเป็นธรรมที่เกิดในหัวใจของชีวิตของคนเนี่แหละเมื่อไม่ทำเหล่านี้เกิดขึ้นคนก็เป็นคนดีเกิดขึ้นไว้เมื่อคนเป็นคนดีก็มีศาสตร์ชนา เมื่อตีมากๆศา ส, าสารศาก็จะหลอนออกม า, กมาไม่มีใครเบียเดืยนกันนี่คือธรรมมีพระหังหัทั้งหมดหนึ่งพว้าลายนิรุกของอย่าลึกซึ่งจึงไม่มีใครพูดเรื่องนี้มาก่อนเลยสมัยก่อนพอระหลังหัทั้งหมด ไม่ติดปวดจากที่ไหนเอเะหิบพิคุงง่า ย, ายท่านจาเป็ิดพิสูงมาเถิดทําไม่ไหนเราตัดไปไดีแล้วท่านจงปฏิบัติตามทําไม่ไหนนั่นเถิดผู้ที่ยังไม่เป็นพระอรหนต์อย่างถ้าปัญญาคนมันึงเป็นพระรอรหันก่อนยังไม่ปวดค็ตัดก่อท่านจงเปิดพิคุงมาเถิดทําไม่ไหนเราต่าดีแล้วปฏิบัติ ำนั่นเถอะแใครยังไม่เป็นวันคาที่บัดตามทาเลยให้เป็นที่สิ้นทุกเถิดวันเท่านดี้วเอหิขขขอบขอุ่งสัตปหนึ่งพัสองอร้ลูกไงเจ้าตัดเท่านี้ไม่เหมือนเราบวชเมื่อวานนี้ยติตตตุกรรมซักไ ส, ใ, สใจถามพุทธเถ ขันโตคือราสโซโปมานต้องตอกแนไๆแล้วก็ย so ัต so ติต so ุตกังยัตติแล้จ <Alright. S 2> <Point. S 1> ึสวดเพ้่เป um oh. ็นพระยกขึ้นเป็นัสงฆ์สองมือถ้าตเป็นพระดัข้มาเดยละไม่ต่ว่าชั่วโมงกนีเพียง่ยัตติตุระยัตติจัตุตรกังเอ่อเอหิภิกูุเพียงแต่ พูดสองสามขคำก็ไปนุ่นของที่วรมาได้เลยในวันเพ็ญเดินสามวันนี้ลูกจาก็ไปตั้งแต่ตีห้าตีสี่ขึ้นไป อ, อูข้อทองไปแสดงท่ที่นะั่นให้คนได้ตื่นขึ้นมาคนจะดีคนนี้เกิด ข, ขึ้นไมน้อยแล้ว ไม่ต้องบ่าวท้งปวงการนำกุศลมาพร้อมกันนำกิจทั้งคนทั้งทมดสุดจะเกิดเป็นคนดีมากในโลกขึ้นมานักเรียนก็นมาสองห่วยปกครงกุ้งเก่าทำนี่สอนทำนี่รักเรียนใจภูมิสองหน่วยปกครจะเกิดเป็นคนดีขึ้นมาในใจภูมิแล้วเพราะไม่ต้องบ่าวท้องปวงตั้งแต่วินทีนี้ การทำความดีต ok, no? so ั oh, so um ้งแต่วินาทีนี้ทำกี milk, ่เที่งบริสุทธิ์ตั้งแต่วินาทีนี้ขึ้นไปสองรอยคนไม่น้อยอ็ก็ช่วยชูเขาไว้เอาหลักท้องไปใช่ไหมเราก็ใช่แล้วจริงๆใช่เรื่องเนี่ยมีสติภายในกายอยู่มันสุดยอดเลยทั้งหมดรวงลงอยู่ที่เนี่ยรวมลงอยู่ที่กวารู้สึกตัวภายในกาย เป็นสเป็นสังขีเป็นมันยาเห็นอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจมีจะเห็นมันโุกเห็นมันโชกมันโทุเห็นมันทูกข์มันหลงเห็นมันหลงมันรู้เห็นมันรู้มันไม่รู้เห็นมันไม่รู้พอแต่เพื่อแต่เพื่อภาวะที่รู้สึกตัวเนี่ย ไม่มีเลยของกันเลยไม่ที่มันไม่ใช่ทางเป็นทางไปเลยในที่มันมืดมันสว่างไปเลยตติเป็นธรรอย่างนั้นสว่างทั้งกลางวันกล า, างคืนไม่เหมือนสว่างเฉยอาทิตย์เฉยนิยมก็ทำสว่างในกลางวันกล า, างคืนคือใน หัใจขงเราเนี่ยนไทยของเราทุกคนเนี่ยถ้าเราไม่สว่างเรว่ขวงกันความหลงขวงกันได้ความชุกขวงกันได้ความทุกขวงกันได้ความปวดความรู้ความหลงขวางกันคนไม่เข้าถึงกันได้ถ้าเร่องนี้ขวงท้ามีสติไม่มีเรื่ขวางกันได้เห็ ดูสิเราดูตัวเขาเขาหมืนตัวเราตัวเรก็เหมือนตัวเขาคนดหลงก็เหมือนเรหลงฮะฮะยังมค่อยดีนะ แต่งไปด้วยมีสติเมตตากรุณาต่อทุติปจิตมันไม่มีจริงๆเพราะว่าหลงว่าทุกข์าโกรธ่เี้ยไปมีใรัก ท, ที่เกียจชันทิ่ไมันหมดแล้วในความหลงก็มีความไม่หลงมีเท่าไหร่ก็ไม่กลัวไม่ต้องไปแค่ความหลงมันจะ่หมดไปย่งหยุดไปอย่างถ้าเรามีสติ มันหลงไปรู้จังตัวไม่ต้องแก้หลงมันโกรธรู้จักตัวเราไม่ต้องไปแก้ความโกรธไม่ได้ไปอดไปทนลอยมันเป็นเครื่องมือทํายากให้เป็นง่ายทําหนักให้เป็นเบาอ๋อวันเชื่อไปความคิดมันหลงยไปทําไมทําไมอ่ะแก้ไม่ได้หรอกมีจะ่พ่อคุณเข้าไปกลับมานี่คิดถึงพิมพารถกลับมาคิดถึงเราหุ่นกลับมา มีวัตถุมีที่ตัง้งมีนิมิตมีเครื่องหมายมือก็มีลายก็มีความคิดก็มีก็จับมันได้ไม่ยากไล่โยงในกล่ากกวกลัวไล่ความคิดแต่บางคนโอ้ยลำิีดใจดยากง่ายใจลยถ้าเป็นปฏิบัติไม่ยากแค่เี้มัน ทุนโกรกับมารู้จักตัวไม่ได้ไปคุมวคุมความโกดธไม่ได้ยุ่งกับมันเลยกับมารู้จักตัวถ้ามันมีแล้วแต่มันทุกข์กับมารู้จักตั ว, มมนะมมตวไม่เห็นมีอะไรมีรสชาติอลไเหมือนพระเจ้าจะแดงทํามันจับไม่มีที่ให้ต้องไม่มีที่ให้ต้องไม่ค่าไม่คุ้ค่า มันอยู่ไม่ได้ไม่มีเทวะ ม, มันเเกวีกก้ยกำนั่งอยู่แล้วมันจะมาข อ, อนั่งอยู่ใชิไม่ใช่สิทธิของมันแล้วมีสิทธิจะนั่งแล้วมีสิทธิจะจะไม่หลงครวามของมุข อ, อนั่งไม่ถูกต้ อ, องควมไม่หลงถูกต้ อ, องครามโกรธความทุกไม่ถูกต้อง ว่าไม่โกรธไม่ทมุกข์คว้จตัวถูกต้องเนี่ยมีสติอะไรเนี่ยเดียวว่าปฏิบัติได้คนตายไม่ยากถ้ามีสติเหมือนเจ้าของเจ้าของก่อเจ้าของใจเมื่อก่อยใจอหมือนเจ้าของก็โอดธไปเดี๋ยวนี้มือนเถื่อนนะนั่งอยู่นี่มันไปไหนลูกมันนั่งอยู่นี่ นอนอย่างนี้มันก็ง่อยคุณรู้กับเวกันใหม่สามัครคีกันใหมหรือเปอลี่ยนรับนักหวอดรูปกับอกนอนใจกับใจถ้ารูปเป็นทุกข์วาใจก็เป็นทุกข์แคงนั้นเลยใจเป็นทุกข์รูปเป็นทุกข์แค่นั้นเลย มีรูปมีนามเพื่อเอามาเป็นที่ทุกเทศนนั้นหรือถ้าเรามาศึกษาแล้วมีความทุกข์เป็นเมา่หน้าแล้วามีถูกความทุกข์อย่างเราแล้วที่พระเจ้าประกาศขี้บอกเรมีจริงจริมีความทุกข์เป็นเมืงอหน้ามีความทุกข์อย่างเอา แั้ยอมเลยทุนไหนการําที่สุดรแห่งกองทุกทั้งสินนี้จะปากฏชัดเจนก็อุทิตทำตามที่เจ้าอุทิศคือทำตามอุจเจ้าโสอุทิศสาะเหมือนาำสางหลองสงตาคือทำแบบนี้ถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้ ตามใจทำกรู้ก็เป็นทุกเวทนาเป็นทุกสัญญาเป็นทุกสังขารเป็นทุกวิญญาเป็นทุกรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาไม่เที่ยงรู้ไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาไม่ใช่ตัวตนสิ่งใดไม่เที่ยงสินั้นไม่ใช่ตัวตนทำมันจะอยู่ได้หร แต่ก่อนเราก็เคยไปทุกข์กอไม่เที่ยงว่าเรามาเห็นแบบนี้จะเป็นทุกข์ของไม่เที่ยงอย่างไรตัวไม่เทีย share share ทเท่ยงมันก็เป็นอย่างนั้นจะให้ไม่เที่ยงได้อย่างไรวามไม่ทุกข์จไม่ไปเป็นทุกข์ได้งไงไปกอดรูปมันทำอยมันไม่มันก็เข็นนั่นเองแเราก็ทิ้างงา่ายง่า ได้ปัญญาได้ทางแล้วได้นิพพานแล้วไปนิพพานนด้กองไม่เที่ยงทวงบรรทุกก็เป็นนิพพานได้เย็นแล้วเปิดขาดไปเลยกองไม่เที่ยงเย็นจ่อยะเย็นกว่าเงอื่นนะทวงบรรทุกโดยเย็นในสุดถ้าไม่มีไฟมันจะยุ่ยจากเย็นตรงไหน ถ้าไม่มีร้อนจะยืดรู้จักเย็งตรงไหนถ้าไม่มีหนักจะรู้จักเบาได้ยังไงถ้าไม่ถ้าไม่มีความทุกข์มันจะเบาได้ไงมันเบาเพราะมันหนักมันเย็นเพราะมันร้อนมันถูกเพราะมันผิดนี่มันอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยทําได้จริงๆไม่ตรงที่มันหลงหรมันไม่หลงตรงนั้นห่ะ ไม่ตรงที ka, ่มันทุกข์มันไม่ทุกข์ตรงนะ้เพราะแต่คู่แข่งเขาอยากแข่งโลกในสติอยู่เนี่ยง่ายๆหัวล็อกฉันโนปีจะให้มันหลงจะให้มันทุกข์ารับัจเจมีก็นั่นกระจึดเรื่องโยคล้ ขอเช่นเอาเลยขอเช่นไม่ได้เอาเลยไม่อาลงขอมาเป็นเสต กันหนอที่พระเจ้าสอนคุ้มเดียวดูซิได้เห็นไหมเห็นทีวันเกิดขึ้นโดยเชื่อสติไหมเยอะแยะเห็นวันผิดไม่เชื่อสติจากความคิดเห็นวันผิดไว่เชื่อสติเกิดจากรูปมันก็มีสติจากเดยกันนะไม่ใช่คนละอย่างเกิด อ, อะไรขึ้นมาเนะว่ารูป เกิดอะไรขึ้นมาในระหว่างจิจใจมีสติเข้าไปเปลี่ยนมาเป็นภาวะที่รู้ต้องรู้ใจมันสนุกนะไว้ในสนุกเท่ากัเปลี่ยนร่างตรงนี้ในขี้หลวงนี้มันเป็นโขกเป็นกรรมขึ้นมานะมารู้จับหลงเคียงตรงนี้รู้จับการถไทยรู้จักหน่วยใจหลงเขี้ยง เวาหลวง่เียสนสนารู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักธรรมมันเป็นอย่างนี้เนาะธรรมอัออตธรรมฉิเป็นอย่างนี้สติ็อย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้มาพร้อมกันมีความรู้สึกตัวมีเมตตาหลความหลงเรานยไปเท่าไห การเดินทางฝ่าวิตราภวิก็ตทารู้มากๆกาวันลาคือรู้มากๆเออรู้มากๆไกลจากควาหลงมากื่ามันไกลแล้วแบบยังไม่ถึงอยู่คนเราฝังกันมองร้อย้อนได้เหมืออยู่คนเราฝังควงมหลงอยู่ฝังโน้นควงมรู้อยู่ฝังนี้ เรทุกอยู่ฝั่งโนนควมรูอ้อยู่ฝั่งนี้เราบ่อใครจะไม่เคยหลงใครจะไม่เคยทุกข์ใครจะไม่เคยโกรธ ใ, ใ, ใ, ใครจะไม่มีจิตไมีเหมือนกันแต่ว่าคุณเราบอ่อมันอยู่คนเราฝ่อถ้าไม่มีคนเราฝ่อมันจะเปรียบเทียบมันได้ยังไง เป็นโลเชียเป็นโลกุตระได้ยงไงในชีวิตของเราที่สิดลูปจังนามน่มันไม่อยากอยาบไปชิดว่าต้องหุ่ันหนกไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้หุ่มหนอของมันเบาเหมนของโมโมบาแล้วไปห่มันจะออกแด้หแล้วก็ฟีไปเลยถื้ว่าจะหยาบเปนไม่หยา ถ้าทาถูกเหมือนจิ้งโคกลงเขาถ้าทเปิดก็เหมือนติ้งโคกขึ้นเขารวรงหลงเฉยๆก็นยอดก็มีสติเหมือนกับจักหัวล้อบนที่มันหลงรวงทุกข์เหมือนกั น, น, น, ก เ, น, กนเป็นเครื่องย่อถ้ามีสติเหมือนกับว่าหัวล้อของทุกข์ถ้ามันทุกข์อาจะมีความ เอมยพลอยในชีวิตของเราออกมาตรงนั้นมันเห็นถ้าเห็นเรามันจะไม่เป็นมันจะคนละหงุดหงิเลยเรามาทุกขมดเจะมันจะเป็นคนละตรงกันข้ามเพราะปฏิบัติปฏิบัติกเราเปลี่ยนได้เป็นดีอยู่แล้ว มีสติมัวก็เปลี่ยนร้อยคนดีอะไรก็มีสติไงจึงไม่หวั่นไหวไม่กระตุผกรเทือนกับริ่งใดในโลกนี้เหมือนผูขอจิตใั้งทึกไม่ะเทือนเขาลหลงผู้ผูกพนตนดีแล้วไม่กะเทือนพราะลูกเอ็เนทาราจาระศร์นชื่อของเราเนี่ยะกระมาก็เรียนจบดอ แค่นี้เอง ต, ตัวใหญ่โตวันไหนก็แค่นี้เองแค่กองหลวงตัตัวนี้ไปบาเลื่นตัวนี้บางแล้วอันเดียวก็อ่อนหน้าลงเหมือนกับวิชาวิชาเปลี่ยนความหลงได้มีชวารู้จิตตัวกําลังผลน้อยๆเปลี่ยนความหลง ควมหลงคือ 50. ห้าสิบรวมหลงเป็น 50. ห้าสิกรวมรูเป็นกำลังบนเมื่อเปลี่ยนหลงเป็นรูได้เหมือ น, นกับ่าสิบทั้งหลายมากกว่าอันรูนน้อยกำมือเดียวห้าสึบเป็นจำนวนมากแล้วก็ชนะได้ถ้าไม่โกงถ้าไม่หลงแล้วก็ไม่โกง ถ้าไม่หลงมก็ไม่โลกถ้ามหลงก็ไม่ทุกไม่โบไม่ดีใจไม่เสียใจไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจถ้าไม่หลงมันไม่ไปถึงไหนมันก็ไปไม่ได้เหมือนข้าศึกทำลายข้าศึกแต่มากเหมือนนักลุกเม่นแม่นด้วยอุจแม่นด้วยทราเป็นเครื่องมือ ใช้ได้ตลอดเมื่อต้องไปเรียนไม่ต้องไปจดแม้แต่พระธรรมทั้งหลายทั้งหลายมันก็คือเรื่องในกายใจเรานี่นกนนเกิดขึ้นที่กายที่ใจเรานี่แปดหมื่นสี่พันดาไม่ใช่ต้งองหยามันเห็นแค่แตะเรที่มนเกิดกับกายกับใจรูหมดรูครบรูท่วน เกี่ยวกบตากับใจเมื่อมันเมื่อถึงเขาที่มนเจองออกรู้แล้ว 4.5, 45 4ปีแล้วรู้แล้วเนี่ยไปไปก่อนไปอะไรแต่รู้ตัวเองก็ถ้าผมรู้คนอื่นวิธีก็คือเราทำอย่างนี้แหละมันต้องมีความคิดหาคำตอบจากความคิดของการกระทํายกล่กกม กรรมาฐานไอ้สติผู้เขินเข้าเยือเขินออกหยับหยับบางทีก็อดีบอดเล็กเล็กไปน้อยผู้เยือเคลื่อนไหวตั้งต้นใหม่วางกายใหม่วางใจใหม่ไอ้ที่จดัดสรรมาการในใจ เพื่อพ่ที่ทํางานถ้าไม่ว่องไม่จัดจันเลยดีงานกำลังก็กอ่อนหน้าได้ยกไม่ขึ้นใจก็เหมือนกันก็จะเป็นสุขมันทุกมันอ่อนถ้ามันแฉ่งก็เห็นมันุขมนทุกข์ก็เห็นก็เชื่อมแฉ่งก็เห็นแล้ ว, วง่าย เทียบท่าได้ถ้าเป็นเรายากมันเปลี่ยนน้อยๆตรงนี้นะมันหลงเป็นผู้หลงมันผิดเป็นผู้ผิดมันถูกเป็นผู้ถูกตอนนั่นมันยากถ้าหลงเห็นหลงผิดเห็นผิดถูกเห็นถู ก, ถกมีเพราะว่าที่เห็นนต่เดียว เฉลยได้ทั้งหมดไม่เหมือนแค่นิสสานแต่แค่นิสสารต้องหลับสูดเฉลยได้สองห้าก็เป็นสิทสองหน้าเป็นเจตเป็นเปรไม่ได้ตอนนั้นเป็นเช่นเป็นโน่เราจรึงได้หลับจริงๆวิธีปฏิปัิษ์ ไม่ได้อ่างนั้นซื้อสักตัวเลยเอากายเป็นนำลาเอาใจเป็นตำลาเอาเสติเ็นนักศึกษามันจะโชว์ให้เห็นพรามีสติปเป็นในการจะเห็นอะไรหลายอยา่างเมื่อเห็นกายเป็นนางเป็นเป็นลูกพี่มันลู่จอกอเลยได้มันเจ็บมันปวดมันร่อมเหนาเป็นมาเป็นนางมาทำ มนหิวแบบลูกมันมีน้ำมันร้อนลูกมันมีน้ำระหว่างลูกกับน้ำจะแดงไม่ใช่เราขอบคุณมันร้อนขอบคุณมันหนาวขอบคุณมันหิวขอบคุณมันเจ็บมันปวดเมืมันมีลูกมีน้ำตอนที่มันแสดงของเช่นนั้นเป็นธรรมชาติเป็นนามของรูปของน้ำ แตกฉานเลยแบบนี้นะถ้ามันมีอาการเช้นนั่งอันตรายนะมันอยู่ได้เพราะมันแสดงออกถ้าไม่รู้จักหยิวก็อยู่ไปไหนรูปเนี่ยนะว่ามีรูปมีนาะมมันจะบอกเรานะเบิดออกมาต่รูปในนามเป็นอะไรแต่ ฐานีกเป็นของมาเที่ยงเป็นของเป็นทกไม่ใช่ตัวต้นรูปทำนามทำนี้ไปกัน แ, นแนนล้วเจ็บจิตาไปเจ็บจนแล่วไหวไปไม่แล้วไหวไปรูปเป็นอย่างนี้นามเป็นอย่างนี้ถ้ามันมีรูปมีนามไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมเอารูปวันนามมัเป็นเครื่องมือเหมือนพ่วงเพลขี่ข้าวฟ้ามันจะบอก จึงสมบูรณ์แบบม่านุสสมบัติจริงๆยังจะพิชมือก็ตั้งไว้ก็บลูกแล้วข่วงมือกัลูกแล้วความรู้ไม่ใช่จากควาคิดเป็นการสมผัติรู้จริงๆว่าหลวงว่าสมผัตมันไม่ใช่ความรู้ไม่มีแค่เอาลง ถ้ารู้แล้วเป็นเกณงขี้วัดถ้ายังไม่มีความรู้เอาตะพึตะพื้บมาออกขวาในความโกรธที่ยิ่งเอานะถ้าได้โกรธตาไยเลมก็มีไม่รู้จะกลืมเบอมโกรเพราะไม่เคยสัมผันมาว่าที่รู้อองเท้ของจริงเป็นเช่นไรไม่รู้ เป็นใจเถืนเถื่อนเป็นลูกเถื่อนเถื่อนเป็นน้ำเถื่อนเถื่อนช่องช่อง ส, องสองเป็นที่อาศัยของโลกทั้งหลายพอใจไม่พอใจตัวไมหนอยู่ที่ใจอะไรก็รวมอยู่ที่ใจเอาใจเป็นใหญ่ใหญ่ในทางแบบเถื่อนทรรมธม ใจที่มันเป็นอาการเป็นอารมณ์อารมณ์่ใช่ใจใจไม่มีอารมไม่มีอะไรเป็นอะไรเหมือนวยหลังด้วยเป็นพระสังฆประโยกนองค์ที่หกแล้ววางเชื้อส่ง วงที่ห้าในลูกชิดที่จก่งกว่าว้ยเหล่าเป็นเลหาใกล้ๆกับสังฆนาชองค์ที่ห้าแต่ว้ยเหล่านี่จำข้าวขวาพื้นไม่ได้ฟังเทศฟังทรรมทักทีพอจังหวันเขียนสร่ก็สังฆาปิญกองค์ที่ห้าจะเปลี่ยนสังฆราใหม่ ไปมาปกครองสองมัยเลือกผู้น้อมสงเป็นเขียนสงฆ์ไปมาเขียนดูใครจะเป็นสุขวรที่เป็นผู้น้อมสงได้ในผูท้ที่เขียนก่อนคิดนี้เหจจมือนกระจกเงาเหมือนเท็ดเหมือนถูอยู่เหมอจะให้ผลตัวดีไว้เกาะติดท้ายใครใครประหลังก็ ไม่มีอะไรที่จะละไป่านี้แล้วเพราะจิดมันใหญ่จิดมันเป็นใหญ่เลีกไปหมดเลยครับลูกศิษย์ทั้งหลายวุ่นหลาตำข้าวชวนเพื่อนมาไปดูซิเขาเขียนอย่างไรพอดูก็อ่านไม่ชไว่ออก ให้เพื่อนอ่านให้ฟว่าจิตนี่เหมือนกระจกเก่าวัเช็ดวัดถูจะเสมออย่าให้ฝนทลิ่งมากาะ ต, ติดตัวไม่หลังก็คิดแบบใหม่เขียนให้ฉันหน่อยได้ไหมถ้าไป ม, มีกระจกฟืนจะมาเกาที่เราเขียนแบบนี้นะเพื่อนก็เลยเขียนไว้ข้างล่างส่งให้เขียนก่อน ว่าถ้ามมีกระจกทุตียมกดที่ใดเขียนแล้วรีบไปตจาเข้าโบถึงวันพบกึ้นสังฆราชองที่ห้ามาดูโศกที่ถ้ากระดานที่ในหน้าปติของพระองอ่าโศกที่หนึ่งชีิตังกระจกโกงวันเท็ดถูนออยิย่งหัยใจฝยทุติยมกฏตืตตา ส่งกันตังหน่อถ้ามีการจบจะให้คุณมาขอที่ได้ก็่อยถามหาเจ้าของส่งนี่คือใครแลวก็บอกว่าคือว้หล่าวว้ยหล่าวอยู่ที่ไหนจำข้าวเปล่าเลยวันนีช้ชาวหาเราตั้งแต่ตีหนึ่งนะมาแล้วก็มบ้บาข้อตวอนเพื่อเป็นสังฆนา ต่อไอแล้วก็บอกให้ออกจากวัดตั้งแต่เช้าไปเลยอย่างอยู่นี่หยุดตทำข้าวเลยนะน้อยตอนตาก็ไปดูร่องรอยที่วัยหล่าวบรรลุธรรมเป็นวัดหนึ่งว้ยหล่าวบวชอยู่วัดเต่ที่ที่เจ็บเช่นผมวัยหล่าววัอยู่นั่นจะถูกกันหมือวชแล้วไปปฏิวัตธรรม เขาล ง, งตึกก็เห็นที่วัดที่ไว้หลับารรลุธท่มมีเขียนไว้ท้ทเห็นหน้าผาจำนวนมากแล้วก็ไปเจ็บศพไว้ที่วัดตึั ง, งไม่ยังไม่ผูกพังเลยคันกว่าปีมาแล้วยังนั่งโก้ๆอยู่ พ่อปูหวพกับผมพ่อผมเอ็นั่งตัวตรงอ๋อกรมยังนั่งเหลือกอยู่ะ่าเวลายังนั่งยืมสัตว์ตัวตีเลยตอนที่ไวับรู้เท่าเกิอได้อ่านให้เขาอ่านเขียนอ่านได้เฝ้าที่เป็นภาษาจีนอ่านเขียนว่าไงมันไม่มีที่ไปไม่มีที่มาไม่มีที่อยู่ชีวิตเด่ันเป็นเจ ฉันเห็นกับเอเยอไปเลยต้องสอว่าแองค์ที่หนึ่งอยู่กลองตงองค์ที่สองตรงมไทยคือหลพเถียนเขว่าอย่างนั้นนะก็จริง น, นะถามดูเนี่ยไ <c oughs> ม่เม่มากนะจะเป็นอะไรเอาชีพไปห้อยไปแขวนไยกบลงหัวใจหรือเอาชีพไปห้อยไปแขวนกับสัตวทุกึงหรือกับคนอื่น คนอื่นเขาประบก็จะประบหรือคนอื่นเขาทุกข์ก็จะเป็นทุกข์หรือมีใครบ้างที่เป็นทุกข์เพราะคนอื่นมีใครบ้างเป็ทุกข์ตัวเป็นสุขคนอื่นมันมันออกมาไม่ใช่แล้วไ <c oughs> ม่ใช่โอสถไปทุกข์เพราะฉันหนือสิ่งอื่นวัตถุอื่นมันไม่มีอะไรนอกจากภาว่าที่ฟิตของเรานี่คือไม่เป็นอะไรชีวิตจริงๆแม่เป็นอะไรเห็นหมด นี่จะเห็นเห็นไม่เป็นแค่นี้ก็พอแล้วเห็นไม่เป็นเมื่อไม่เป็นก็พ้นไปทุกอย่างแนละ้วถ้าเป็นก็พ้นไม่ได้ถ้าจะด้วหกเขินเดินฟ้ามาก็ยังพ้นไม่ได้เสื่อมได้ถ้าเป็นแนละ้วถ้าเห็นไม่เป็นเองแต่ก็ทลอะ ก, กันโมกุฎถอดยากอนะไรเลยมันสุกเห็นมันสุกให้เป็นผู้สุก ลองดูสิอย่ารีบต่วนตนัวนี้มันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ลองดูสิใส่ใจให้ียบกายทั้งน้อนว่าจะได้บรรลุธรรมข้าวล่วงตงัวนี้คนลรฝ่อกันได้มีที่ไหนใครช่วยเราได้ตัวเนียยไม่มีใครช่วยได้นี่จะตัวเราเองเนี่ยสุขเองทุกข์เองไม่มีใครทำได้เราได้ มันอะไรที่อยู่ในคิดโต๊ะต้องอดเดยมันแย่มันเจ็บหรือมันตายเลยวอันนี้เลยคือมันยิ่งย่างมันไม่ใช่เลยมันเป็นธรรมชาติปราการชีวิตจริงๆไม่อยู่ตรงนี้นะวันวันใช่เราใช่แล้วชีวิตเนมีลูปไปนอนใช่แล้วใช่เลยแล้วเพื่อการนี้รูปนาม ได้มาจากปีดาวมานดาเอาปีดาวรนดามาทำ ม, มาเนี้มาออกาเนี่ยถ้ามีนี่ทำไมได้พ่อแม่ให้เรามาสงสารพ่อแม่พอคนพ่อแ ม, พอแม่พ่อแม่เกิดลูกมาเพื่อกนันนี้ไม่ใช่เกิดลูกมามาเพื่อให้ร้องโงร้องให้เสียใจเด็นดรุกไม่ใช่เหรอถ้าเราถึงทำได้อย่างนี้ก็ มูลคุณคุณพ่พอคุณแม่นีมากาามากเราจะใช่ะูกในาทางความดีเฮ้ยจะใช่นามงทางความดีไม่เป็นอะไรคุ้มค่าชีวิตของเราเราจะหลงไปทางไหนจะสบทุกไปทางไหนตอนนี้ที่สุดอยู่ไม่เป็นวันหนง่มเห็นวันหลงไม่เป็นผู้หลง มันสูตรไว้จะหลอยก็ได้มันโวดถึงมันโวดไม่เป็นเพราะปดมันเจ็บเห็นมันเจ็บไม่เป็นเพ้าเจ็บมันตายมันจะตายหน่อยเจ็บก็ได้เห็นมันจะตายไม่ได้เป็นเพรดตายแต่ควมตายคนเันอ่านแบบนี้คือชีวิตด้ยจากการเจริญสิ่งผู้ฉันเข้าเหยียฉันออกไปถึงนูนก็โดดถึงนูเลยทีเดียวเพราะนั้นเราอยา ตรงนี้ก็ได้คมชัว่วทำความดีจิตบริสุทธิ์คือตรงนี้มีสติมันก็ลับความชัว่วทำความดีจิตบริสุทธิ์เพราะว่าสข้อที่พรเจ้าทรงแสดงให้เ ห, ห็นยังใชนได้กับคีวิตทุกค น, นแล้ววันนี้เราจะไปมังร์เลยโนชัคืนหนึ่งรอยดีหลวงประเทียนที่นั่น สมควรจะกระบำข้อกั